แล้วร่างสูงใหญ่กำยำมีขนนกสีดำปักอยู่ที่แถบคาดสีสระก็ปรากฏให้เห็นในสายตาครึ่ ง, ป, งปิดครึ่งเปิดของระพินไทยวันเขาไม่สนใจกับเจ้าบริวารอื่นๆของมันนอกจากคอยหมายตาตามการเคลื่อนไหวของร่างนั้นอย่างระมัดระวังเพียงร่างเดียวจากตัวหนึ่งมายืนชะโงกดูหน้าเขาใกล้ๆจนได้กลิ่นสาบสางเหมือนสัตว์ปาอย่างถนัดแบบเดียวมันก็พละไปดูคนอื่นๆอีกอย่างวางใจ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 บริวารอีกสมคนของมันก็เคลื่อนเข้ามาลอ้อมมุงเหมือนกันเชษฐาดารินและชยันในขณะนี้มองเห็นภาพเบื้องหน้านั้นอย่างถนัดถนีที่สุดทุกคนกลั้นลมหายใจยังไม่อาจเคลื่อนไหวปฏิบัติการอย่างใดลงไปได้เพราะรอคอยสัญญาณจากระพินอยู่ตามที่นัดแนะไว้แลอวินาทีสุดท้ายขอยงการรอคอยก็มาถึง เจ้าหัวหน้าย่างสามขุมอ้อมไปทางด้านศีรษะของบุคคลทั้งสามในขณะที่อีกสองคนเงือหอกอันแหลมคมขึ้นสองมือชูเหนือศีรษะหมายจะกระนำลงไปบนยอดอกของเชษฐาและชายันคนละคนข้ามันเสียงพรานใหญ่ที่ตะโกนก้องขึ้นช้าไปซะแล้วบุคคลที่ตัดสินใจก่อนเขาคือดารินตามเคย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 ปืนที่พร้อมอยู่แล้วในมืออื่นๆก็ประสานกึกก้องขึ้นแพทย์จะเป็นเวลาเดียวกันสุดแต่เป้าหมายที่แต่ละคนกำหนดไว้ก่อนอีกห้าคนที่แยกย้ายกันยืนเกะกะอยู่ทั่วบริเวณแคมป์พะงะงายเป็นระนาวพร้อมกับเสียงร้องอย่างตกใจระคนเจ็บปวดสองสามคนชวนเซไปมาพยายามจะเงื่อเงือ ด, ดาพุ่งเข้าใส่คนที่อยู่ใกล้มันที่สุดแต่แล้วก็กระดอนถอยหน้าถอยหลัง เระแรงผักของหัวกระสุนที่พ่นเข้าใส่อย่างเผาขนจากทิศทางต่างๆก่อนที่จะลนลงไปนิ่งสนิทเลือดทะลักโสมอยู่กับพื้นเชิฐานไม่ได้ยิงแม้แต่นัดเดียวทันทีที่น้องสาวระเบิดกระสุนนัดแรกขึ้นเขาก็ดีตัวตีลังกาตอบจากท่าที่นอนอยู่พุ่งเข้าใส่เจ้าตัวหัวหน้าที่กําลังยืนตะลึงในเหตุการณ์ซึ่งมันคาดคิดไปไม่ถึงชั่วขณะอุ้งมือซ้ายอันเหนียวแน่น ยุ่มหมัดเข้าที่ข้อมือข้างกําดาบของมันมัดขวายิงโครมสุดแรงเกิดขึีนปลายค้างอันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นเสียงพผ่สนัน่นมันพังหะหน้าเลิศกระดอนลงไปมือตีนกลางอยู่กับพื้นแต่พริบตา น, นั้นเองก่อนที่เขาจะผลเข้าตะครุบตัวมันก็ทยานขึ้นมาด้วยความทร וה ดและพละกําลังผิดมนุษย์มนามุดหัวมุ่งเข้าขวิดกลางลําตัวพร้อมแผดร้องลั่นออกมา เชื้าเสียหลักประเด็นตามแรงประทะนั้นชนกระร่างของชา ย, ยันซึ่งกำลังตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นล้มระเนระนาดไปด้วยกันจะบุตรชายของหัวหน้าเผากินคนเห็นข้ามคนทั้งสองอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องล้มกลิ้งลงคำรบสองเพราะแง่าใสรวบขาวไว้ววไวทันควันด้วยความเร็วพอๆกันมันแผดเสียงคำรามลั่นฟาดกับเจ้าคนใช้ชาวโดงร่างยักษ์กลิ้งไปกับพื้นอย่างดุร้ายฉับไวแทบจะดูไม่ทัน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 มันก็สะบัดคนทั้งสองกระเด็นออกไปแล้วเล่นออกตะลอดราวก็เสือเพ่นชนบุญคำก็เกิดที่สวนเข้ามาลม้มลงทั้งสองคนจันวิ่งปราดไปคอยสกัดอยู่ทางขวาในขณะที่เฉยก็ขวางอยู่ทางด้านซ้ายมันชะงักภาวะพวาเพราะพบกระดาษขาววับที่ทั้งสองแข่งคอยทีอยู่จังหวะชั่วเสี้ยววินาทีนี้เองดารินก็ส่งปากกระบอก จุดสาห้าเจ็ดของหล่อนไปยังร่างนั้นแต่ชายันผลเขากดข้อมือไว้ทันตะโกนห้ามเสียงหลงยาเราต้องการมันเป็นเนจ้าลู่ผู้เปรียบเสมือนพยักษ์ร้ายในวงล้อมแผดเสียงคำรามกึกก้องขึ้นอีกครั้งหนึง่งพระปัดสิงใจวิ่งตะลุยไปยังปากด่านที่จะนำลงไปสู่ลำห้วยที่มันเป็นที่ปลอดว่างอยู่บูบเดียวนั้นเอง พินไทร์วันก็พรวดออกมาจากหลังก้อนหินด้านนั้นทันควันะวัิเสือเดือพทานท้ายไรเฟิลอย่างทันหนัดทนันีเสียงดังพลวเข้าที่ขากันไกรร่างกันกำยำปราดเปรียวนั้นร้องออกมาไม่เป็นภาษาหัวสุนทลาลงล้มกลิ้งแพนใหญ่โจรตามติดเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่สุดแรงเกิดช้อนกข้าที่ลิ้นปีมันคันพงะตามแรงชูดนั้นไปอีกครั้งแงายก็เข้าถึงตัวทางด้านหลัง ช่วงแขนอันแข็งแรงปานปลอกเหล็กประวัติรัดรอบคอไว้กระชากจนหน้าเงานตัวแอ่นต่อให้ริ้วแรงปานกระพิงเช่นไรเจ้ามนุษย์กินคนก็สิ้นฤทธิ์เดทที่จะสำแดงได้อีกต่อไปแล้วภายใต้การล็อกอันมั่นคงแข็งแรงนั้นตาเหลือกสองมือฟัดฝ้าตะกายอากาศอยู่ไปมามีเสียงครอกอยู่ในลำคอปากอ้ากว้างระวังมันจะคอหักตายซะก่อน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 จากนั้นเงซายก็จัดการมัดแขนมันควายหลังไว้ด้วยเชือกไนล่อนประจำตัวที่เตรียมไว้พร้อมแล้วขยินก็เข้ามาช่วยมัดเท้าทั้งสองติดกันในขณะที่คนอื่นๆกรูเข้ามามุงล้อมอย่างตื่นเต้นเรียวแรงมันยังก็ยักพับพาเธอแล้วพินซัดด้ยวยพันท้ายปืนมาตติกี้นะ่ะถ้าเป็นคนธรรมดาก็คอหักไปแล้วชยันพูดหอบๆเฉดสา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 แตระพินเอามือกั้นไว้ก่อนออกคำสั่งกับเงาทรายให้ตรวจสอบเชือกที่มัดมือและข้อเท้าของมันอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่ามันคงแข็งแรงดีที่สุดแล้วจึงพยักหน้าเป็นความหมายกับเกิดน้ำทั้งกระบอกก็เทราดลงไปบนใบหน้านั้นช้าๆทุกคนถอยห่างออกไปเล็กน้อยอย่างระวังตัวคุมเชิก น, นอกจากเงาทรายและขยินซึ่งคุมอยู่ทางด้านสีสัน สูงอกของมันขยายขึ้นจากการหายใจแรงๆต่อมาก็สำลักและเริ่มมีการเคลื่อนไหว น, น้อยๆอีกอืดใจเดียวก็ลืมตาโพลงขึ้นเพียงพริบตาแรกที่แลเห็นคณะทั้งหมดรายล้อมอยู่อาการของมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าที่ติด ก, กับเจ้าสังเขยวแผดเสียงคำรามขึ้นอย่างดุร้ายดิ้นสะบัดอย่างสุดฤทธิ์จนตัวหมุนกลิ้งไปมาอยู่กับพื้น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 คงมีแต่ดวงตาอันแข็งกระด้างเท่านั้นที่เบิกโพ ล, ลุกวาวจ้องไปยังทุกคนอย่างประสงร้ายแล้วพรานใหญ่ก็ก้าวเข้าไปหยุดยืนหยุดรงหน้าเขาพยายามใช้ภาษาชาวเขาทุกขแขนงพูดติดต่อกับมันแต่ดูจะปราดสสจากผลโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นภาษาชาวเขาเผ่าใดเท่าที่พอจะพูดได้เจ้าแเขียวไม่แสดงท่าว่าเข้าใจความหมายทั้งสิน้นมันได้แต่สแะเขี้ยว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 จอมพเนจรไม่ได้เอ่ยคำใดกับมันอีกเหลือบมาที่พรานใหญ่เหมือนจะปรับหน้าที่เจรจาให้แก่เขาเจ้าต่างหากที่จะต้องตายไม่ใช่พวกเราเขาตอบคํามันแทนแงาทายด้วยภาษาป่าเถื่อนแขนง น, นั้นอย่างคล่องแคล่วแต่น้ำเสียงดุ ด, ดันเฮี้ยมเกรียมแต่เราจะไว้ชีวิตปล่อยเจ้าให้รอดไปหากเจ้ายอมทาในสิ่งที่เราต้องการ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 แต่เชิถาผู้พอจะอ่านอะไรได้เลาๆเหนียวไหลปรามไว้ซะก่อนภายหลังที่แงซทรายแปลออกมาให้คณะเจ้านายทราบช้ยันก็จุ ป, ปากเบาๆไอ้นี่ร้ายดูถ้ามันไม่กลัวเราเลยนะแต่เจ้าจะต้องตายก่อนรพินบอกลูกแพ่เสียงหัวเราะท่าทีของมันเต็ไมได้วยความเย้ยหยันไม่พรั่นพรึงในป่าใหญ่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 เป็นเทพเจ้าผู้สั่งให้เราทำทุกอย่างตามประสงค์อินคาช่วยเจ้าไม่ให้เจ็บปวดก่อนตายได้หรออินคาช่วยเราได้ทุกอย่างเอา้าแต่เช่นนั้นก็ดีแล้วเจ้าจะได้เห็นว่าอินคาช่วยเจ้าได้จริงหรือไม่พระพิ์ออกคาสั่งกับคนของเขาในทันทีนั้ น, ใ, นใจเดียวขยิงกับบุญคาก็สอดไม้คานหาดเข้าไปในระหว่างมือและเท้าของเจ้ามนุษย์กินคน นับถือเทวรูปอินคาแล้วยกหิ้วขึ้นสภาพของมันจึงมองดูไม่ผิดอะไรกับการมัดหาบสัตว์อย่างที่มันเคยใช้มัดและหามเหยื่อของมันมาแล้วไม้คามอันนั้นถูกหาดไปถูกหามไปวางพาดกับหลักไม้งามสองอันซึ่งทำไว้สำหรับย่างเนื้อสัตว์ร่างของลูถูกข้่ในลักษณะอกแอน่นคว่ำหน้าลงมาในระดับขนานกับพื้นห่างพื้นประมาณศอกเศษ เกิเกระเซิดก็จัดการเรียงไม้ฟืนในทันทีนั้น่านใหญ่เดินเข้าไปที่กองไฟหยิบดุ้นฟืนที่ติดฟืนขึ้นมาถือไว้เดินตอบเข้ามาคณะนายจ้างจึงเพิ่งจะเข้าใจในทันทีนั้นดารินลืมตาโพรงร้องเสียงหลงออกมารับพินนั่นคุณกําลังจะทําอะไรคนหันอร่อยกว่าหมูหันเขากระชากเสียงตอบพ่นหนูด หญิงสาวอุทานอะไรออกมาคำนึงอย่างตกใจพอขยับปากพี่ชายก็คว้าแขนจุดให้ห่างออกมากระซิบว่าเฉยไว้น้อยนั่นเป็นวิธีที่เราจะทำให้มันยอมจำนนก็ทามันยังใจแข็งไม่ยอมจำนนชะยยันหัวเราะกล้า ว, ราวพรุ่งออกมาแทนว่าเราก็จะได้กินสางเขียวหันแทนหมูหันอย่างที่เราพินว่าดูบ้างพระผาสิคงเด็ดไม่น้อย บ้านี่ใครบ้าตามตพาพรานนั่นกันหมดแล้วทำไมถึงป่าเถื่อนอไมไอหินกันยังงี้นะนี่จะแปลงสัญชาติเป็นสางเขียวกันไปหมดแล้วเหรอเมื่อจะอยู่ในโดงสางเขียวเราก็ต้องเป็นสางเขียวกระพินทาถูกแล้วมันกินเราได้ทำไมเราถึงจะกินมันมั่งไม่ได้ย่างมันจะทั้งเป็นไปนยังงั้นแหละอดีตนายทหารปืนใหญ่ว่า ในช่วยเชษดฐารังตัวนักมนุษย์วิทยาคนสวยไว้ไม่ให้เข้าไปยุ่งด้วยรพินยืนแยกเขี่ยวแก่งดุนฟืนติดไฟอยู่ในมือล่อตามันเจ้าลูลืมตาโพรงแววแห่งความหวาดกลัวเริ่มปรากฏขึ้นในดวงตากรอกกลิ้งทั้งคู่แต่ยังอามาหิต ด, ดื้อดึงตามเผ่าพันของมันเขาปาดดุนฟืนไปมาช้าๆภายใต้ท้องของมันเปรวอันร้อนจ้า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 ถ้าหวังว่าอินคาคงจะช่วยดับพิษร้อนทอรามานให้แก่เจ้าได้ก่อนที่จะกลายเป็นลิงย่างนะกล่าวจบจอมพรานก็สอดฟืนติดไฟอันนั้นเข้าไปในกองฟืนที่เรียงก่อไว้แล้วน้ำมันก้าที่บุญคันราดไว้ก่อนช่วยมันลุกพืึบติดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งเปลวแดงฉานเพราะม่านควันขึ้นสุมร่างอันนอนห้อยคว่ำหน้าของเจ้ามนุษย์กินคนมันทงังะดิ้นทุรนทุรายบิดตัวไปมา ดารินเอตโรออกมาคำหนึง่งขยับตัวแต่เชือกถากะชัยยันช่วยกันยึดแขนไว้ระพินไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นยิงจ้องมองดูอาการดิ้นรนของมันอย่างเลือดเย็นทุกคนก็สงบมองภาพนั้นอยู่เงียบเงียบไม่ถึงอึดใจนั่นเองจะมมนุษย์ใจเยี่ยมก็ร้องจ้กเอ็ดอึงออกมาไม่เป็นภาษาเพราะอำนาจของพระเพลิงผู้ไม่เคยปราณีต่อสิ่งใดตามันเลือกเสือกกายดิ้นอยู่เรา่เรา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 ยาย่าต้องตายอย่างทรมานเช่นนี้เจ้าลูหมดสิ้นความเหี้ยมหันทรนงของมันอีกต่อไปร้องขอความการุณาอยู่บวกๆผิวของมันเริ่มแปรปวดขึ้นทุกขันหนะักระพินหัวเราะอย่างน่ากลัวจุดบุรีสูบด้วยอาการอันเย็นเฉียบเราต้องการผู้หญิงขาวของเราคืนลูเจ้าพอจะมีทางช่วยเราได้ไหมเรายอมท่านทุกอย่างเร็ว เูากำลังจะขาดใจตายอยู่แล้วเสียงของมันแผดกึกกล้องไปท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งราตรีละคนไปกับเสียงลุกฮือของไฟในกองรับพินคงหัวเราะในลักษณะคำรามอยู่เช่นนั้นจ้องมันอยู่อีกอึดใจหนึ่งจึงโบกมือเป็นสัญญาณกับคนของเขาบุญคำและจันปราดเข้ามาท่าไฟอันลุกโชนในกองออกรัศมีอันร้อนแรงที่กาลังจะทาให้หนังของมันปะทุ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 ร้ายกาศจะยิ่งกว่าพวกมันเองเสียอีกเหนือกองฐานส่วนน้อยที่ระอุกรุนอยู่ภายใต้พอที่จะสร้างความทรมานแบบย่างไฟรุมให้แกเจ้าเฉลือร้ายระพินส์ุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ใกล้ๆแล้วเขาก็เริ่มเจราจาส่งภาษากำมันในครั้งนี้เจ้าลูโตอตอบคำโดยไม่มีอาการอิดเอื้อนหรือโสโอหังใดๆเหลืออยู่อีก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 ตนที่เรียนอยู่ในเยอรมัน่ะคงเรียนวิธีสอบสวนผู้ต้องหาหริอเฉลยแบบเกสตาโปมาด้วยถึงได้โหดเยี่ยมอาไมาหิตผิดมนุษย์มนาเราต้องพิจารณาเสียก่อนนะว่าผู้ที่เราจะสอบสวนมัน่ะเป็นอะไรอย่าลืมนะว่านั่นคือมนุษย์กินคนเ้าก็เห็นความโหดเยี่ยมผิดคนของมันมาแล้วนี่แต่เราล่ะเราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์กินคนอย่างมันงั้นเหรอถึงได้เอาแบบอย่างของมันมาใช้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 นำวัตถุประสงค์องค์การของอินคามาสู่ชาวสังเขียวทั้งหลายอินคาเน่ยคือหินทั้งแท่งสลักจากหน้าผาบริเวณหน้าลานของหมู่บ้านศีรษะเป็นเสือกลายเป็นคนอยู่ในท่านั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นผู้ที่จะบรรดาลโชคชัยทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่หมู่บ้านและจะต้องเส้นสูงกันด้วยเลือดและศีรษะมนุษย์ในทุกรอบฤดู ของการเริ่มเพาะปลูกพืชไร่ตามปกติแล้วสางเขียวจะไม่ข้ามคูเมืองอันเป็นแหล่งที่อยู่โดดเดี่ยวเร้นลับของมันมาสู่ดงเบื้องนอกเลยจนกว่าจะถึงฤดูก่อนการหว่านพืชไร่อันถือว่าเป็นฤดูแห่งการล่ามนุษย์เพื่อเส้นสูงสังเวยและเพื่อเสพเป็นพักษาหารให้เพิ่มพลังริดตลอดจนให้เป็นไปตามประสงค์ของเทพเจ้าอินคา